จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงาน จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสานาที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่เพิ่งสูงสุด ข, ของสัรโลกเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านั้นที่จะนำพาสัรโลกให้ไปสู่ความสื้นสุด ขความทุกข์ทั้งหลายได้นำพาไปสู่ความสิ้นสุด ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถนำพาสามโลกอย่างพวกเรานั้นให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถทำได้ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นาทางเราก็จะเดินทางไปสู่การสิ้นสุด ข, ของการเวียนว่าตายเกิดได้เช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีให้มั่นคง ก็คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยาให้สิ่งต่างๆในเรื่องนี้หลอกล่อให้เราไปเชื่อไปปฏิบัติตามเพราะไม่มีอะไรในเรื่องนี้ที่จะดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะไม่มีอะไรในเรื่องนี้ที่จะนำพาให้เรา ได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้ดังนั้นถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราอย่าไปให้ความสนใจต่อคำสอนของผู้เพราะเป็นคำสอนที่จะนำพาให้ติดอยู่กับการเวียนว่าตายเกิดเพราะ ไม่มีคำสอนนใดที่จะบริปปรสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากปัญหาความอยากต่างๆนอกจากคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นคำสอนอื่นนี้ยังออกมาจากใจที่มีความโลภความโกรธความหลง มีความเห็นผิดเป็นชอบอยู่ถ้าศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นก็จะหนีไม่พ้นจากการที่จะติดกับของกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่จะดึงให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป อย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นเราต้องมีความเชื่อมั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่เราจะมีความเชื่อมั่นได้นั้นก็อยู่ที่ว่าเราต้องศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เราจะได้รู้ชัดเจนว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้คืออะไร เป็นยังไงเช่นเราต้องศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างไรทำไมพวกเราจึงไม่เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าทั้งๆ ท, ที่พระพุทธเจ้าก็เกิดมาเหมือนเลยเกิดมาออกมาจากท้องพ่อเอ๋อจั๊ง ออกจากท้องแม่เหมือนกันแต่ทําไมท่านถึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ส่วนพวกเราทําไมจึงไม่กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาบ้างทั้งๆ ท, ที่เรากับพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีอาการสามเหมือนกันถ้าเราศึกษาแล้วเราจะได้รู้ว่า อะไรทำให้พระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะกลายเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นสาระที่พึ่งของสันโลกได้มาจนถึงในปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่เห็นความแตกต่างของพระพุทธเจ้ากับของเรา ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะศึกษาให้เห็นอย่างชัดจ mm hmm. เจนก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าที่เราคงเคยได้ยินได้ฟังกันมาแต่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังเข้าไม่ถึงอาจจะศึกษาแบบผ่านๆไปไม่ได้เอามาไข้ควรพินิจพิจารณา ดังนั้นเราควรที่จะศึกษาอย่างจริงจังศึกษาให้เห็นความแตกต่างของพระพุทธเจ้ากับของพวกเราเพื่อเราจะได้เปลี่ยนความแตกต่างนี้ให้เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าให้ได้อย่างที่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้กระทำกันพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็น บุตชนธรรมดาอย่างพวกเรามาก่อนแต่หลังจากที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ศึกษากับพระพุทธเจ้าศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็เห็นความแตกต่างของเขากับความแตกต่างของพระพุทธเจ้าเขาก็ปรับความแตกต่าง ให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าก่อนนั้นเขาก็เป็นคารวดาเหมือนพวกเรามีมีความชอบยินดีกับการสแสวงหาความสุขทางโลกสแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจนูึลิ้นกาย แต่พอได้ศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็เลยปรับตัวเขาให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จออกบวชสละราชสมบัติเขาก็ออกบวชกันตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชพระพุทธเจ้าก็ทรงได้พบกับเทวทูตสี่ ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชผู้สแสวงหาความหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพอพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นเทวทูตทั้งสีนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าการประทับอยู่ในพระราชวังการสแสวงหาความสุขทางร่างกาย ารลาบยศสรรเสริญนี้ไม่ได้เป็นทางที่จะนำพาไปสู่ความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายถึงแม้จะพับประทับอยู่ในพระราชวังความร้อมด้วยความสุขทางโลกอย่างมากมายการกองแต่ความสุขของทางโลกนี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ ภายในใจไดาไม่สามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์ภายในใจปรากฏขึ้นมาได้จึงทรงเห็นว่าการประทับอยู่ในพระราชวังนี้ไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่เขได้รับ ในขณะที่ประทับอยู่ในพระราชวางังก็เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาอยู่เรื่อยๆเช่นเวลาทรงมีงานเลี้ยงก็มีความสนุกความสุขแต่พอเวลางานเลี้ยงผ่านไปความทุกข์ก็ตามมาใมเพราะเกิดความยากมีงานเลี้ยงอีกเกิดความยาก ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดความอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้พอได้ทำแล้วความอยากใหม่ก็ตามมาอีกเพราะความอยากนี้ไม่ได้หมดไปด้วยการกระทำตามความอยากการดั บ, บความทุกข์ที่เกิดจากความอยากด้วยการทำตามความอยากนี้จึงไม่ใช่เป็นทาง ที่จะพาไปสู่การดับของความทุกข์ได้อย่างถาวรดัง น, นั้นองค์จึงทรงให้ความสำคัญต่อนักบวชศึกษาว่าวิธีของนักบวชนี้เห็นว่าเป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ได้จึงได้สละพระราชสมบัติ ในวันที่ทรงได้รับข่าวว่าพระมเหสีได้ทรงคราดพระราชโอรสทรงเป็นอุทานออกมาว่าราหุมแปลว่าบวชพระพทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่าบุตรพระราชโอรนี้เป็นเหมือนกับบวชที่จะคล้องคอของพระองค์ให้ติดกับอยู่กับ การประทับอยู่ในพระราชวังไปจนวันตายพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นโดยที่ไม่ได้ไปล่ำลากับใครเลยเพราะทรงรู้ว่าถ้าล่ำลาแล้วก็จะไม่ได้ไปจึงต้องเสด็จไปอย่างเงียบๆไปตามลันผาน ไปแล้วก็ไปบวชเป็นนักบวชไปอยู่แบบนักบวชซึ่งสมัยก่อนก็อยู่แบบขอทานไม่มีวัดไม่มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักเป็นแหล่งต้องอยู่ตามโคนไม้บ้านอยู่ตามถ้ำบ้านอยู่ตามเงื่อมผาบ้างแล้วก็ต้องอาศัยการกบินธบาเรียนชี จีวรเครื่องนุ่งห่มก็ต้องอาศัยผ้าบางสกุลคือผ้าที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นตากองขยะตาในป่าชา้าผ้าหอ่อศพต้องไปเก็บเอาผ้าเหล่านี้มาปะมาเย็บมาตัดมาต่อให้เป็นจีวรไว้สำหรับนุ่งหง่ม สถานภาพของนักบวชในสมัยนั้นจึงไม่ต่างจากขอทานดีๆนี่คิดดูก็แล้วการว่าคนดับพระราชโอและประทับอยู่ในพระราชาวังต้องมาอยู่แบบขอทานนี้จะเป็นความยากลำบากขนาดไหนแต่ความยากลำบากเหลา่านี้กับไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อพระพุทธเจ้า ที่ทรงมีภาพปัญญาที่ทรงเห็นว่าการอยู่แบบนักบวชนี่แหละเป็นวิธีที่จะนำพาให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดับความทุกข์ภายในใจให้หมดไปจึงไม่ได้มีความรังเกียจกับการที่จะไปประทับอยู่แบบขอทาน ไม่รังเกียจต่อการออกบินธบาไม่รังเกียจต่อการใช้ผ้าบางสกลุลไม่รังเกียจต่อการประทับอยู่ตามโคนไม้อยู่ในเงื่อนผาอยู่ในท้ำหรือตามเรือนร้างต่างๆกับทรงมีความยินดีเพราะเป็นสถานที่สงบสงัดที่เหมาะสมกับการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ภายในใจ ให้หมดไปนี่คือตัวอย่างของพระพุทธเจ้าที่เหล่าบรรดาพระอาลาันตสาวโกทั้งหลายได้เห็นได้ศึกษาจึงเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามก็เลยออกบวชกันเป็นจำนวนมากหลังจากออกบวชแล้วก็เอาพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางของการปฏิบัติระธรรมคำสอนที่ผู้เจ้าทรงสอนให้แก่นักบวชก็มีอยู่สามประการที่เรียกว่าใจสิกขาก็คือศีล ส, สมาธิและปัญญาผู้ใดสามารถเจริญใจสิกขานี้คือศีลสมาธิปัญญาได้ครบบริบูรณ์ ผู้นั้นก็จะมีความสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้เพราะสิ่สมาธิปัญญานี้ก็คืออาวุธที่จะเอามาทำลายกิเลสตัณหาผู้เป็นต้นเหตุ ของความทุกข์ใจผู้เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจนี้เองท็อปุตจ้าก็ทรงเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติสิลสมาธิมาก่อนสิงสมาธิปัญญามาก่อนจนสามารถทำลายกิเลตันหาต้นเหตุของความทุกข์ ต้นเหตุของพกชาได้ไปจนหมดแล้วพระอคจึงมีความแน่วแน่มั่นใจว่าเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลังจากที่พระคได้ตัดสรู้ก็คือได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ได้ทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจด้วยการบำเพ็ญสีนสมาธิปัญญาแล้วพระองค์ก็ได้นำเอาความรู้ที่พระองค์ได้ตัดสรุนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วมีจิตศรัทธา ที่จะน้อมนำอามาปฏิบัติอย่างเข้มขัดอย่างเต็มที่ก็จะสามารถได้รับผลเช่นเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับผลหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนในวันเพ็ญเดือนแปเป็นครั้งแรกที่เราเรียกว่าวันอาสาหาบูชา มาจนถึงวันเพ็ญเดือนสามวันมาฆ้าบูชาเป็นเวลาเจดเดือนก็ปรากฏมีพระอาลหลันตะสาวกปรากฏขึ้นมาในโลกนี้อย่างน้อยก็1 2 5่นรูปเป็นวันที่พระอาลหลันตะ1250นรูปนี้ได้มาเฝ้าพพตจ้าในวันเพ็ญเดือนสาม ที่เราเรียกกันว่าวันมาค บ, บูชานี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสิ้ไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่รูปเดียวไม่มีพระพุทธเจ้าแม้แต่รูปเดียวอยู่ในโลกนี้ถึงแม้ว่าในอนดีตจะเคยมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ให้เป็นสารณะนะ ให้เป็นที่พึ่งแก่สามโลกมาแต่ท่านเหล่านั้นได้จากโลกนี้ไปหมดแล้วแล้วไม่มีพระอาหารหันต์มาสืบทอดต่อจึงเป็นช่วงว่างที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระคำคาสอนไม่มีพระอาหารหันตสาวกมาเป็นแสงสวา่างนาทางให้แก่สามโลก พระุทธเจ้าจึงต้องเป็นผู้ที่ต้องแสวงหาทางเองหาแสงสว่างเองทรงศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆหลายรูปด้วยกันแต่ก็ไม่มีครูบ า, าอาจารย์ดวงใดสามารถมองเห็นทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้อย่างถาวรครูบาอาจารย์อย่างสมัยก่อนนั้นที่ทรงศึกษานั้น สอนได้เพียงแต่วิธีดับทุกข์ชั่วคราวคือการเข้าฌานสมาบัติการคันั่งสมาธิทาใจให้สงบเท่านั้นเวลาใจเข้าไปในสมาธิอยู่ในฌานสมาบัติเวลานั้นความทุกข์จะหายไปหมดเพราะเวลานั้นต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหาความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆนี้ไม่ได้ทําลายนั่นเองแต่ไม่ได้ตายหายาสาบสนไปพอออกจากสมาธิมาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็ห ว, วนกลับคืนมาใหม่ไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะทําลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ให้หายไปได้อย่างถาวรพระพุทธเจ้าทรงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะทำลายกิเลสตัณหานี้ให้หายไปหมดไม่ใช่เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องเป็นผู้แสวงหาวิธีเองจนในที่สุดก็ได้พบกับ วิธีที่จะดับความทุกข์ใจก็คือต้องใช้ปัญญาเท่านั้นปัญญาในที่นี้ก็คือความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองเห็นอะไรจึงถึงเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็เห็นว่าสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจ์ไม่เที่ยว ไม่ถาวรไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมีการเจริญละมีการเสื่อมหมดไปนี่คืออนิจจงไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเดรัจฉานเป็นวัตถุเข้าของต่างๆล้วนเป็นอนิจจ์ทางนั้นมีการเกิดแล้วต้องมีการเสือ่อมมีการสูงสลายหมดไป แล้วก็เป็นอนัตตาก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของของต่างๆในโลกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสั่งให้ของต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปอาจจะสั่งได้บางเวลาแต่ไม่ตลอดเวลาเช่นร่างกายของพวกเรานี้ไม่มีใครสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายได้ร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดนี่คืออนัตตาเช่นเดียวกับร่างกายของผู้อื่นหรือสิ่งของต่างๆบ้านช่องถาวรวัตถุต่างๆโบสถ์เจดีศาลากุฏิวิหารสร้างไว้แล้วต่อไปเวลาก็จะมาทำลายให้กลายเป็นซากปรัหั ทำไปในที่สุดเพราะนี่คือสัจธรรมความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้ามีความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆนี้ถาวรถ้ามีความอยากสั่งให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมา พระพุทธเจ้าทรงพบความจริงแล้วว่าความทุกข์ใจของพระองค์ของสัตว์โลกนี้ก็เกิดจากความอยากให้สิ่งต่างๆนี้ถาวรนั่นเองคืออยากจะให้ไม่ใช่ไม่เป็นอนิจจังอยากจะให้ไม่เป็นอนัตตาอยากจะให้เป็นนิจจังอัตตานิจจังก็คือถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น แต่มันไม่ใช่เป็นความจริงเช่นเดียวกับอัตตาว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเราจะสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เป็นไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุปัจจัยให้เขาเกิดเขาก็เกิดมีเหตุปัจจัยให้เขาเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนมีเหตุปัจจัยให้เขาเสื่อม ให้เขาสูญสลายไปเขาก็เสื่อมสูญสลายไปไม่มีใครมาสั่งมาห้ามได้ใครอยากจะให้เป็นอย่างอื่นก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจก็ต้องไม่มีความอยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจงเป็นนิจจงไม่ให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงนั่นเอง ไม่ให้สิ่งที่เราสั่งไม่ได้ให้เราสั่งได้เราต้องปล่อยวางเราต้องยอมรับความจริงเช่นถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ยอมรับความจริงว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะไม่มีความทุกข์เลย เราจะรู้สึกสบายเฉยๆเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้ที่ถูกความหลงหลอกให้มายึดติดกับร่างกายถูกความหลงหลอกให้คิดว่าการมีร่างกายจะทำให้มีความสุขเพราะจะสามารถหาลาบยกสรรเสริญหารูปสิ้นกิริยลดพลท มาบำรงบำเลอให้กับใจได้แต่เราไม่รู้ว่าการหาลาบยศสสรเสริญหาลูปสีงกิจลดนี้เป็นการหาความทุกข์มากกว่าหาความสุขเพราะราบยศสลสรเสิริลูปสีงกินลวดผุพะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเวลาเราได้มาเราก็ดีอกดีใจ แต่เราไม่สามารถสั่งให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาที่เขาจากเราไปเวลานั้นความสุขที่ได้มาก็หายไปหมดสิ่งที่มาแทนที่ก็คือความทุกข์ทร ม, มารใจนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องพยายามสอนใจให้เห็นให้ได้ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้คดาเพราะถ้าเราเห็นแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรพอเราไม่อยากได้อะไรไม่อยากให้อะไรเป็นอะไรปล่อยให้ทุกอย่างเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนอย่างที่เราปล่อยฝนฟ้าอากาศเราไม่ไปยุ่งกับฝนฟ้าอากาศเราไม่ไปยุ่งกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์กับดวงดาว เราปล่อยให้เขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาพระอาทิตย์จะขึ้นจะตกเราไม่ไปยุ่งพระจันทร์จะขึ้นจะตกเราไม่ไปยุ่งฝนจะตกแต่จะออกเราไม่ไปยุ่งเราจรึงไม่ทุกข์กับเรื่องของฝนฟ้าอากาศไม่ทุกข์กับเรื่องของพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวเพราะเราไม่ไปยุ่งกับเขาเนเอง สั้นใดถ้าเราไม่ไปยุ่งกั บ, าบลาภยศสรรเสริญไม่ไปยุ่งกับรูปเสียงเกินลดโกรธาะไม่ยุ่งไม่ไปยุ่งกับร่างกายของคนนั้นคนนี้หรือของเราเราจะไม่ทุกข์เลยเวลาที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เสื่อมหมดไปเราจะไม่ทุกข์กับความเสื่อมของาลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงเกินภภ่นลดโกรธาะ เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของเราก็ดีของคนที่เรารักก็ดีจะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายปัญหาอยู่ที่ความหลงที่จะอยากให้สิ่งที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองนี่คือสัจธรรมความจริง ที่ทำให้พระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเพราะทรงสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้นั่นเองพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากก็จะไม่มีการไปหาร่างกายอันใหม่ก็จะไม่มีการเกิด เมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายใจของพระพุทธเจ้าจึงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างถาวรใจของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้เหมือนกับใจของพวกเราที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมือนกันต่างกันตรงที่ใจของพระพุทธเจ้าไม่หลงแล้ว ไม่ไปหาร่างกายใหม่มาแบกแล้วแต่พวกเรานี้ยังหลงอยู่ยังแบกกับร่างกายที่เรามีอยู่ยังทุกขกับร่างกายที่เรามีอยู่เพราะเรายังอยากไม่ให้ร่างกายนี้แก่เจ็บตายนั่นเองแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ยังอยากจะกลับมาหาร่างกายอันใหม่แต่ใดถ้าเรายังไม่ได้สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมา จากใดถ้าเรายังไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่คือหน้าที่ของพวกเราการสร้างสรณะสร้างที่พึ่งของพวกเราก็คือการสร้างปัญญานี้เองด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพธธุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็ ออกปฏิบัติธรรมกันออกบวชกันรักษาศีลนั่งสมาธิและเจริญปัญญากันถ้าเราทำได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพาาาระอรหันตสาโกทั้งหลายไม่มีอะไรจะมาขัดขวางการเวลาไม่สามารถมาขัดขวางได้ คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการิโกเป็นคำสอนที่ไม่เสื่อมไปกับเวลาางเวลาเป็นอ ม, มะตะคือเป็นของที่ไม่มีวันเสื่อมวันหมดไปผู้ใดนำมาปฏิบัติผู้นั้นก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันหมดจึงขอให้พวกเราจงยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มั่นคง อย่าหลงไปกับคำสอนต่างๆในโลนื่นี้ที่เป็นคำสอนคำสอนปลอมเป็นคำสอนที่ไม่สามารถดับความทุกข์หรือสร้างความสุขที่ถาวรได้มีคำสอนของพระพุทธพระธรรมพ่อสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะทําได้การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เตียงเท่านี้